สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยเก้าสบสองอุปมาเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูตอนที่หนึ่งครับวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบสี่แล้วก็เกี่ยวข้องกับคําอุปมานั้นก็จะปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบห้าครับพี่น้องครับพี่น้องโปรดจําไว้นะครับว่า ภาหากว่าเราจะกล่าวถึงเรื่องของการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูในฐานะเป็นพระเมสสิยาห์ที่เสด็จกลับมาปกครองบ้านเมืองก็คือปกครองอาณาจักรของโปรงนะครับเสด็จกลับมาพิพากษาเสด็จกลับมาครั้งนี้จะเป็นการเสด็จกลับมาเพื่อที่จะสดแสดงพระราชอำนาจในการครอบครองโลกในการปราบมารซาตานและในการทําลายผล ข, ของความบาปและเล็กไนของมันในที่สุด พี่น้องครับบทที่ยี่สี่บทที่ยี่ห้าครับพี่น้องโปรดจํานะครับมัทธิวยี่สี่ยี่ห้านั้นเกี่ยวข้องกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูให้เรามาดูครับว่ามัทธิวบทที่ยี่สี่นั้นได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างมัทธิวบทที่ยี่สี่ได้เริ่มต้นเหตุการณ์ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานะครับท่านอาจารย์นิกรได้พูดถึงภัยที่บัตรสิบประการนะครับ หรือคำเตือน1ิบประการก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาซึ่งคำเตือนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สีนะครับนี <c oughs> พี่น้องครับถ้าดูนะครับเราจะเห็นเรื่องของการมีอันที่คล้านะครับหรือพระพริ์เทมเหตดหรือแม้กระทั่งสงครามข่าวหรือเรื่องสงครามการต่อสู้กันของอาณาจักรต่ออาณาจักรและการข่มเหงที่มีต่อผู้ที่เป็นคริสเตียนเรา ในขั้นเดียวกันครับความรักนะครับหรือมนุษยธรรมก็ด้อยลงแต่ที่น้องจะเห็นนะครับว่าความอดธรรมนั้นก็แผ่กว้างออกไปความรักยเยืกเย็นลงนี่คือคําเตือนหรือเหตุการณ์ที่เตือนแล้วก็จะมีสิ่งที่น่าสิดสะเอียนนะครับซึ่งหลายๆคนก็ให้ความหมายหลายอย่างก็ตีความกันไปต่างๆนานในขันเดียวกันครับก็จะมีการรับนะครับทีเบเบศาศา่เรียกว่ารับเจบภาษาอังกฤษเรียกว่ารับเจอ ับชื่อก็คือการหายไปหรือการรับนะครับการเสด็จมาของพระเยซูนั้นเพื่อที่จะรับธรรมิจชนขึ้นไปอยู่กับพระองค์นะฮะถ้าเราดูหนังเรื่อง Let b e High พี่น้องก็จะรู้นะครับว่าการรับือครับก็คือการหายตัวไปของธรรมิจฉชนทั้งหลายนะครับในที่สุดแล้วดวงอาทิตย์ก็จะมืดไปดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวก็จะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้านั้นก็จะถดถอนสะทาน และเราจะเห็นครับมนุษย์ชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้และจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากทรงทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนักให้รวบรวมคนทั้งกวงที่พระองค์ทรงเลือกสัรไว้แล้วทั้งสี่ทิศนั้นตั้งแต่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงสุดฟ้าข้างโน้นและนี่คือเหตุการณ์ต่างๆครับที่จะเกิดขึ้น เราเชื่อว่าสถานการณ์ของโลกนะครับก็จะขมวดนะครับขมวดกันจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ต่างๆนงี้ครบถ้วนและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทาอุปมาเรื่องมะเดื่อครับต้นมะเดื่อที่แตกกิ่งแตกใบส่วนใหญ่นักวิชาการพระคัมภีร์ที่ให้ความหมายนะครับหรือครูทางพระคัมภีร์นั้นก็เปรียบเทียบแล้วก็ตีความหมายว่าต้นมะเดื่อนี้หมายถึงประเทศอิสราเอลนะครับ ประเทศอิสอเอลนั้นก็จะผีใบครับแตกกิ่งผีใบนั่นหมายความว่าหลังจากปีหนึ่งเก้าสี่แปดครับอิสอเอลได้ก่อตั้งประเทศซึ่งเป็นรัฐชาติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราเห็นว่านี่คือการแตกกิ่งแตกใบอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับและวันใดโมงใดนั้นไม่มีใครรู้บรรดาทูตสวรรค์หรือแม้กระทั่งพระเยซูพระบุตรเองก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียว จากข้อนี้เองนั้นทําให้หลายๆคนก็พลาดไปครับพวกอาทธิเทียมเชทศหรือคนที่สอนเพียนหลายหลาสำนักหลายๆนิกายพยายามที่จะระบุว่าตัวเองนั้นรู้นะครับศา ส, สดาของตัวเองหรือผู้นําอัทธิของตัวเองนั้นรู้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่แต่เพิ่ผีข้อนี้นะครับบทที่ยี่สิบสี่ข้อทีอ 36, ่สามหกชัดเจนนะครับว่าที่บทที่ยี่บสี่ข้อสามหกชัดเจนว่าวันใดโมงใดนั้นไม่มีใครรู้ และสิ่งที่สําคัญก็คือว่าในข้อที่สามสิบเจ็ดครับด้วยสมัยของโนอาได้เป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เฉลต์มาก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ําท่วมนั้นคนทั้งหลายได้กินและดื่มกันทําการสมรสและยกให้เป็นสามีพัญญากันจนถึงวันที่โนอาเข้าในหนาวาน้ําท่วมมากวาดเอาเขาไปขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใด เมื่อบุรุษจะเสด็จมาก็เป็นฉะนั้นชายสองคนจะทรงรับคนหนึ่งทรงลักคนหนึ่งหญิงสองคนโม่แป้งอยู่ที่โรงโม่จะทรงรับคนหนึ่งทรงลักคนหนึ่งเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าองคุพินเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาไหนจงจําไว้ว่าถ้าเจ้าของบ้านร่วมรู้ได้ว่าขโมยจะมายามไหนเขาจะเตือนอยู่และระวัง ไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้เหตุฉะนั้นท่านหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาคุ่น้องครับในวันไหนก็ตามที่เป็นวันที่พระเยซูจะเสด็จมานั้นคนส่วนใหญ่ไม่พร้อมครับเพราะว่าเขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันในขณะที่เขาไม่รู้ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนะครับพระเยซูจะเสด็จมา นี่คือสิ่งที่พระมุีได้ให้ความจริงและบอกความจริงกับพวกเราทั้งหลายในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมแลในวันพรุ่งนี้เราจะต่อครับเกี่ยวกับทาอุปมาของเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระเยซูเป็นครั้งที่สองพี่น้องครับอยากจะให้เราเตรียมพร้อมเราเตรียมพร้อมได้อย่างไรครับเราต้องใช้ควรชีวิตของเราใช่ไก่อน ว่าชีวของเรานี้ในทุกวันนี้อยู่เพื่ออะไรครับอยู่เพื่อใครถ้าเราตอบได้ว่าเราอยู่เพื่อพระเจ้านั่นแหละครับเราพร้อมเราอยู่เพื่ออะไรครับอยู่เพื่อใครถ้าเราบอกว่าเราอยู่เพื่อลูกหลานของเราเราอยู่เพื่ออนาคตของเราเราอยู่เพื่อสิ่งอื่นๆสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่พระเจ้าอยากจะหนุนใจให้ที่น้องได้มีโอกาสคิดใหม่ทําใหม่ครับเพื่อที่ว่าเราจะอยู่ในสภาพของความพร้อม ผมได้เคยเรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วว่าการเสด็จมาของพระเยซูเพื่อที่จะมารับเราไปอยู่กับพระองค์นั้นมีอสองความหมายครับความหมายแรกก็คือการที่เราตายนะครับก็คือเมื่อเราจบชีวิตจากโลกนี้หมดเวลาชีวิตของเราในโลกนี้แล้วแน่นอนครับเราจะไปในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราบังเกิดใหม่เราได้เป็นผู้ที่ได้รับความรอดเรามีความมั่นใจในความรอดของเรา โดยทางพระเยซูคริสโดยการพึ่งพาและไว้วางใจเชื่อศรัทธาในพระเยซูเป็นพ ร, พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราสามารถที่จะไปพบกับพระเยซูได้พเพียชุมรับเราไปอยู่กับพระองค์ครับนั่นคือความหมายแรกก็คือเราตายเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเราตายเมื่อไหร่วันไหนก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันพี่น้องครับเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกวันนี้เราต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทครับ ไม่ประมาทเพรอะไรครับเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราขึ้นเครื่องบินนั่งเครื่องบินเราขับรถไปต่างจังหวัดอะไรหลายลาสิ่งหลายอย่างนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราไม่รู้ครับเตรียมตัวไว้พร้อมครับเมื่อหากที่พระเจ้าจะเรียกเรากลับไปอยู่กับพระองค์มารับเราไปอยู่กับพระองค์ด้วยวิธีนี้เราก็พร้อมและในวิธีอื่นๆเราก็พร้อมเช่นเดียวกัน คามหมายประการที่สองก็คือการที่พระเยซูเสด็จกลับมาจริงๆครับพระองค์เสด็จกลับมาใช้คําว่าให้เราเห็นตัวเป็นๆครับนี่คือการเสด็จกลับมาอย่างแท้จริงขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราและด้วยเหตุนี้นั้นทําให้เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าวันใดโมงใดไม่มีใครรู้ครับแม้แต่พระเยซูพระองค์ก็สละสิทธิอำนาจของการรู้นะครับ สละความรู้นี้ด้วยความของพระไทยและมอบเป็นการตัดสินใจตัดสินพระไทยของพระบิดาเจ้าและการตัดสินพระไทยของพระบิดาเจ้านั้นก็อยู่บนเชือนไขต่างๆครับอยู่บนไม้สำคัญต่างๆที่จะเกิดขึ้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่ประมาทขออย่ากให้เราเป็นคนที่เมื่อพระเยซูเสด็จมานะครับเราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนะครับเราก็จะเป็นกลุ่มของคนที่ กินและดื่มและหลงและทําการสมรสยกให้เป็นสามีภรรยากันเนี่ยครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเราทุกวันนี้ขอเป็นช่วยเรานะครับที่เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นเราจะไม่เป็นของโลกแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกเราจะไม่เป็นผู้ที่มีความคิดแบบโลกแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกแม้ว่าเราจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเนื้อหนังเงื่อนไข่ของของเลือดเนื้อ แต่ว่าเราต้องเป็นมนุษย์ถอยวิญญาครับที่เราจะสรละหลายสิ่งหลายอย่างและทำลายตัวเก่าของเราให้ตายทุกวันทุกวันเพื่อที่ชีวิตของเราจะพร้อมในการที่เราจะพบกับพระเจ้าผมอยากจะถามพี่น้องในชาววันนี้ว่าท่านพร้อมที่จะพบกับพระเจ้าแล้วหรือยังอามน